กลับเรื่องปิติอาการน้ําตาไหลถามพระและการที่สมาธินิ่งเงียบเรื่องรู้สึกดีอาการน้ำตาไหลเพราะจะ <c oughs> ได้สมาธิก็ดีอยู่กับสมาธินานๆนะยังไม่ต้องกลัวเรื่องสุขปิติอันเกิดจากสมาธิเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวเป็นปิติที่ สัมผัสภายนอกที่เรียกว่าอิงอามิตรนี่คือสุขปิติร้องไห้น้ำตาไหลไอ้นี่ควรกลัวนะแต่ พุทธเจ้าบอกว่าชื่อว่านั่นลาดเองน้อมเองเทเองไปสู่นิพพานแล้วนะดูสิพุทธเจ้าเวลาเลือกบุคคลผู้น่ะในช่วงตรัสรู้ใหม่ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ไม่ต้องไปกลัวและ อันนั้นหมายถึงเราเพลิดเพลินต่ออัตถ์สาทะของสมาธิอ่าอันนั้นแหละถึงจะเป็นอ่าสิ่งที่ไม่ของปิติของสุขของอุเบกขานะ ความสงบความนิ่งมันมีอัสสาทะของมันเพราะฉะนั้นคน ตรงเนี้ยเป็นตรงตรงที่พูดยากพูดก่อนบอกยากเพราะจะพูดอย่างไรจะไม่ให้สมาธิจะพูดอย่างไรไม่ให้เกลียดซึ่งสมาธิจะเสพมากทํามากเจริญมากแต่ขณะเดียวกันพุทธเจ้าก็จะต้องพูดการเห็นโทษของมันด้วยซึ่งการพูดการเห็นโทษ ไม่ชอบสมาธิซึ่งสมาธิเป็นสิ่งที่ต้องทําและต้องเสพมากทํามากๆนะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้านะ <c oughs> เธออยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขหรือว่าเออสมาธิมันก็ดีทําให้อยู่เป็นสุขไม่ได้ เป็นระดับสาวกพูดพูดก็แบบสุดตรงไปเลยเอ้ยระวังนะอย่าไปไม่กล้าทําสมถะอย่างนี้แต่อ่ะเสพมากทํามากเจริญมากชื่อ ผลอาหารก็ยังอยู่กับอุเบกขาได้นี่อ้าวเอ๊ะแล้วมันยังไงอ่ะนี่แหละเราต้องนี่ต้องจําแง่ อย่าไปเกียรติสมถะหรือเกียรติสมาธิเพราะมันเป็นตัวบอกนะบอกกับพระมหากัจจานะนะ อันไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในด้วยก็จะไม่พึงชรามรณะย่อมไม่ หืออย่าฟุ้งในภายนอกแล้วอย่าตั้งสยบในภายในมากเลยเรา เลือกไม่ถูกว่าเอ๊ะเราจะอยู่กับอะไรไอ้ต้องตั้งอยู่กับขันได้ขันหนึ่งใน 4 ขันนี้ใช่มั้ยเพราะเรา 5 ตุ่มเดียวไม่ได้เราจึงต้องมี 3 ขัน ก็กอกับอุเบกขาก็ได้กอกับกายก็ได้อย่างนี้ 3 ขันธ์ที่เหลือคือเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้นะอืม